บัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมในทางาศาสนานั้นมีลักษณะที่ทวนกระแสของอารมณ์โลกและทวนกระแสของกิเลส ข, ขึ้นไปมีลักษณะใกล้ๆกับการว่ายน้ําทวนกระแส ซึ่งจะ ต, งต้องอาศัยความพร้อมในด้านต่างๆทั้งด้านกำลังกายกำลังใจและเจตจำนงความมุ่งมั่นที่จะให้ตนสามารถแหวกว้าผ่านพ้นกระแสเชี่ยวล่านั้นไปได้การปิบัติธรรมในทางาศาสนาก็มีลักษณะเห่ืนกันแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญหรือเป็นปัจจัยสำคัญทั้งสองอย่าง คือปัจจัยในการส่งเสริมสนับสนุนและปัจจัยในการทำลายลางนั้นก็มาอยู่ในจุดเริ่มต้นคือความมีหรือความไม่มีศรัทธาคือความเชื่อในคุณของพระัรนาไรตยแต่ว่าจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมยังมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจ ในคุณของพระรัตนตรยัยใตสิกขาตลอดถึงมีความโกรธอยู่การศึกษาการปฏิบัติธรรมะก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะความเปล่อแปลงสงสัยนั้นจะมีนักษณะเหมือนกตาปูที่ตรึงจิตบุคคลไว้ในจุดใดจุดหนึง่งต่อทำนองใกล้ๆกับไม้หรืออะไรก็ตามที่ถูก ต, กตรึงเอาไว้ ล้วก็ขยับเขาเยื่นไปไหนไม่ได้ดังนั้นเมื่อมองในมุมตรงกันข้ามสาธาชนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณสมบัติของบุคคลที่เรียกว่าเป็นประสดาบันคือเข้าถึงกระแสของปณิพานนั้นมันเกิดขึ้นจากจากการขรจัดความเคลือบแคลงสงสัยในคุณพระตนใรในใจจิกขา และก็จัดความโกรธออกไปจากใจได้ไม่ระดับหนึ่งซึ่งท่านแสดงไว้เป็นสี่ประการที่มีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระสงฆ์และศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในเรื่องของไตรสิกขา เป็ทธาเชื่อมั่นที่แม่หวั่นไหวในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อผ่านทั้งการศึกษาการปฏิบัติจนได้สัมผัสผลของพระรัตนตรัยในระดับใรดบใระดับหนึ่งจนมีความจางไปคลายไปบรรเทาไปของบาปอกุศลภายในจิตมีปัญญาปรากฏ มีความบริสุทธิ์ปรากฏมีความเมตตากรุณาปรากฏขึ้นภายในจิตจนเป็นตัวเร่งให้เกิดศรัทธาประสาธะมากยิ่งขึ้นโดยลาดับและเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยลําดับและความปลอดภัยปลอดเวรปลอดอันตรายความ ส, สะอาดสงบสว่างก็จะเกิดขึ้นโดยลําดับเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อใร้จัด ปัญหาที่เป็นอุปสรรคตอบผลทั้งสี่ประการนางีิกรแล้วนั้นผู้มีพระพาคเจ้าจึงได้แสดงไว้ในขีลัสสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยตะปูหรือเป็นสนิมใจหรือสิ่งที่ตอบตรึงใจของบุคคลไว้ประสาใดที่บุคคลผู้ปฏิบัติยังมีความเคลือบแครงสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ แต่นั้นการศึกษาและการปฏิบัติธรรมก็ย้าโอกาสก้าวหน้าได้ยากตังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าพระพุทธศาสนานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นหัวใจใหญ่ความศรัทธาเริ่มใสที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแน่วแน่ก็ต้องปลูกที่ตรงนี้ให้ได้ถ้าปลูกที่พระพุทธคุณได้ยังอื่นก็ชื่อว่าเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดความเครือบแคลงสงสัยนั้นเกิดขึ้นจากขาดหลักที่เรียกว่าโยนิโสพนสิการโดยการนำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาโดยวุบวิธีอันแยบคายมีเหตุมีผลบุคคลผู้ปฏิบัติต้องการที่จะกระจัดความเครือบแคลงสงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้า เราต้องอาศัยการศึกษาการพินิจพิจารณาโดยบายวิธีต่างๆเพื่อค่อยๆขจัดความเคลือบแคลงสงสัยที่มีอยู่ภายในใจให้ออกไปวิธีการนั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็นนั้นากเช่นการนำบทพระพุทธคุณที่สวดสรรเสริญกันมาสาธยาย เพืจิตใจของเรามีความสงบอยู่กับบทของพุทธคุณนั้นๆในชั้นนี้ไม่ถึงกับขจัดความเครีบแครงสงสัยแต่ทำให้ใจสงบอยู่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้อย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นๆกายก็จะสุจริตปีจีก็จะสุจริตใจก็จะสุจริตในะดับที่สองนั้นคือการนําบทพระพุทธคุณขึ้นมา บริกรรมภาวนาอย่างที่ชายบริกรรมหายใจเข้ากระคุดหายใจออกประโถเป็นต้นในชั้นนี้ก็ช่วยให้จิตใจสงบจดจ่ออยู่ที่บทภาวนาเหล่านั้นจนผ่านขั้นตอนต่างๆของสมาธิต่อจากนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นช่วยวินิจฉัยตัดสิน แล้วก็จัดความคลืบครงสงสัยออกไปได้ในระดับนั้นๆแต่ในชีวิตประจำวันนั้นแม้จะไม่ต้องอิงอาศัยรูปแบบอะไรก็ตามเพียงแต่ว่านำเอาประพฤติกุณขึ้นมาพิจารณาการพิจารณานั้นพิจารณาได้สองในยะด้วยกันในยะแรกก็คือเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาในตอนใดก็ตามก็าพยายามพินิจฐพิจารณาให้เห็นอย่าให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆในตอนนั้นๆมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความศรัทธาที่ต้องการจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในพระพุทธเจ้าดังข้อนี้จะเห็นว่า ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้นมีหลายขั้นตอนด้วยกันบางคนออกมาแดงแรงจนถึงเกิบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าพระตเจ้านั้นเป็นบุคคลที่มีตัว ต, วตวนอยู่จริงหรือไม่ในประวัติศาสตร์เพียงจุดนี้จุดเดียวก็เกิดความคลุ้มแล่งสงสัยแล้วเราก็ไปไม่ได้แล้ว ซึ่งวิธีการที่จะกระจัดความรู้สึกเหล่านี้เราอาจจะทําได้หลายๆอย่างเช่นการมองอย่างเป็นระบบในแง่ของเหตุปัจจัยเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุพระพุทธศาสนาที่เราสัมผัสอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นผลซึ่งจะต้องเ ก, เกิดขึ้นมาจากเหตุ เหตุนั้นมีการทยอยกันคือสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ทยอยกันมาเรื่อยๆ ด, ดังนั้นอะไรก็ตามจะต้องมีเหตุเบื้องต้นที่ให้มีการเกิดอย่างต่อนเนื่องกันมาเพราะคำสอนในพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีที่มาคือมีแหล่งเกิดของคำสอนเหล่านั้นแล้วมาสืบเสาบไปก็จะเจอ องพระผู้มีพระภาคยาวอันเป็นที่มาแห่งคำสอนเราจะศึกษาในรูปของโบราณคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแล้วก็สืบเสาะไปถึงที่มาของเกตนารมในการสร้างศาสนาสถานเหล่านั้นหรือปุเชเนียวัตุเหล่านั้นเราก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่อาศัยสถาปศาธะซึ่งคนนั้นๆ ได้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่สืบต่อกันจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาเพื่อทำให้ได้ศรัทธาเชื่อมั่นในการมีอยู่ของพระพุทธเจ้ามากิ่งขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะมองในตัวคำสอนซึ่งมีลักษณะที่เป็นสัจธรรมไม่มีความวิปริตเปลี่ยนแปลงไป แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปความคิดความอ่านของคนก็เปลี่ยนแปลงไปเรืยแต่ก็มาสรุปรวมอยู่ที่หลักคำสอนจึงส่งแสดงเอาไว้กรณีผมสังเกตว่าเนื้อหาวิชาการต่างๆในปัจจุบันบางทีกระจายตัวเองออกไปสามารถศึกษาแลวเรียนกันได้จนถึงปัญญาเอกแล้วก็ยังไม่จบเราดูแล้วใกล้ๆจะเป็นเรื่องใหม่ แต่ก็จริงแล้วสามารถสรุปรวมลงได้ในคำสอนทางพระพุทธศาสนาในแง่ของความประนีตปัญจงสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้กับปีความประนีตปัญจงลึกซึ้งแล้วก็เป็นระบบมากกว่าอย่างเช่นสิ่งที่ตามความลังเขาเรียกว่าพวกจริยธรรมก็ดีจิตวิทยาก็ดีหรือประชาก็ดี และสาขาวิชาการนั้นจะศึกษากันจนถึงปริญญาเอกก็ยังไม่รอบรูแตกฉานจริงๆดูแล้วเนื้อหาวิชาเหล่านั้นก็มีขอบข่ายกว้างใหญ่ไพศาลมากจริงๆแล้วเราก็จะพบว่าคำว่าจริยธรรมนั้นก็คือหลักของศีลในพระพุทธศาสนานั่นเองหลักของจิตวิทยาก็คือหลักของจิตศีขาหรือสมาธินั่นเอง หลักของปัญญาก็คือหลักของปัญญาในพุทธศาสนานั่นเองถต่เมื่อเทียบเคียงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองฝ่ายแต่ละสายพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งและเมตตาใจเป็นระบบและสามารถขัดเกลากิเลสได้ที่สาคัญอย่างยิ่งคือผลจากการศึกษาจริยศาสตร์ก็ดีจิตวิทยาก็ดีแล้วก็ปัญญาก็ดีนั่น มันศึกษาไปแล้วเป็นการเพิ่มอหังการมังการคือเพิ่มความเป็นเราเป็นของเราให้สูงขึ้นผู้ศึกษาจะพ่ายแพ้ต่ออํานาจของโลภะหรือความโลภที่มันเกิดขึ้นเราจบวิชาจิตวิทยาระดับปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกก็จะประเมินราคาตัวเองสูงที่ค่าตัวเองเอามาเป็นเงินแล้วจะพ่ายแพ้ต่ออํานาจของเงินทอง ต่ระบบของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อศึกษาและเรียนไปแล้วกิเลสก็จะพ่ายแพ้คือจะกลายเป็นผู้ชนะกิเลสเป็นความรู้ที่ทำให้ตัวเองเป็นผู้ชนะขึ้นไปโดยดําดับจนกลายเป็นชนะอย่างแท้จริงอย่างที่เราเรียกพระพุทธเจ้าว่าวิชิตมาโรคือผู้ชนะมา เพราะนั้นลากการเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าคนที่สอนคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาสามัญและจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสัจสรู้จริงๆการพินี้พิจารณาก็จะเชื่อมโยงไปถึงการสัจสรู้ทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นที่เราเรียกว่ า, ท า, ทาตาขะกะตรัสถาคือเชื่อปัญญาเครื่องสัจสรู้ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นอุปสรรค ในความรู้สึกนึกคิดของคนอยู่มากจดพวกปาฏิหาริย์ต่างๆที่เราเรียกที่จริงเราเรียกว่ากรตาพิณิหารคือพวกอภินิหารต่างๆซึ่งสืบเนื่องมาจากบุญญาธิการที่พระพุทธเจ้าปริติโรโคติสัตทั้งหลายหรือคนดีทั้งหลา ย, ลายก็ได้กระทําไว้ที่จริงแล้วในแง่ของความจริงเป็นธรรมดาของด้านนั้น คล้ายๆกับธรรมดาของนกที่บินได้ธรรมดาของปลาที่อยู่ในน้ำได้ธรรมดาของไส้เดือนที่อยู่ใต้ดินได้นั่นเองธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นกฎเกณฑ์เป็นเงื่อนไขที่ทำแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล่เป็นข้อกาหนด ก็ทํานองคล้ายๆกับการเข้ารับราชการที่ถูกกาหนดเอาไว้โดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขยอย่างนั้นโดยกาหนดไว้ว่าถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะการเป็นอย่างนั้นจึงมีได้จะเฉพาะบางคนคนทั่วไปก็เป็นไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติที่ถูกกาหนดไว้นั้นไม่มีอยู่ในบุคคลเหนั้นการเป็นประโพธีศาสตร์ ท, ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เนื่องจากการสังเกตพบ ว, ว่าความเปลี่ยนแปลงสงสัยนั้นมักจะมาสะดุดอยู่ที่การที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วดำเนินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าเปล่งพระวาจาออกมาคือพูดได้ด้วยเดินได้ด้วยพูดง่ายอย่างนั้นถาเราคิดในแง่สามัญธรรมดามาก็ผิดสามัญธรรมดาแต่เพราะเราไม่ใชท่านท่านไม่ใช่เรา ท่ามเป็นบา ร, รมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นบุคพลนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ทางหลายในชาติสุดท้ายเป็นอย่างนั้นทุกๆพระองค์มันเป็นเงื่อนไขของการบำเพ็ญบา ร, รมีที่ถูกกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าพระบรริษพะโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบา ร, รมีมานั้นเมื่อถึงชาติสุดท้ายที่จะสัตยรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องปรากฏบุคคลนิมิตให้เห็น19ประการด้วยกัน และใน19ประการ น, นั้นข้อแรกข้อหนึ่งก็คือเมื่อประสูติออกมานั้นจะต้องดำเนินด้วยประบาทได้เจดเก้าเปล่งวาจาเป็นอภิสวาจาและประมาณดาจะต้องยืนประสูติซึ่งผิดกิริยาบทของการประสูตทิทั่วไปหรือการเกิดของบุคคลตดยทั่วไปคราวนี้เราจะเห็นว่าถ้ามองในแง่นั้นได้คือยอมรับในแง่ธรรมดาได้มันก็ เสริมสร้างศรัทธานในจุดนี้ได้ถ้าเสริมสร้างไม่ได้ก็ต้องอาศัยความคิดที่สืบเนื่องต่อไปจากปรากฏการณ์เหล่านั้นซึ่งคนในยุคในสมัยนั้นเขาประสบพบเห็นกรนีเป็นผลต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เป็นาศาส ด, ดาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะยกนั้นโดยการที่ราชวงศ์ทั้งสองคือกากยวงศ์และโคตวงศ์ เห็นปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ที่ประสูติมาแล้วเดินด้วยพระบาท 7-9 ดก้าเด่นบางคนก็เห็นเองบางคนก็ได้รับความบอกเล่าจากคนที่โดยเสด็จในครั้งนั้นได้นำบุตรธิดาของตนมามอบให้เป็นข้าราชบริพารของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะโดยมอบกายถวายชีวิตไปทั้งสองด้านต่างกาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็จะขอเป็นข้าราชบริพาร หากว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็าจะขอบวชโดยเสด็จด้วยและในการต่อมาคนทั้งสองวงนั้นก็เสด็จออกผนวดตามพระพุทธเจ้าตามที่ได้ถวายสัตยปฏิญาณไว้ซึ่งแสดงเห็นว่าแต่ละท่านนั้นบวชตามสัจจะปฏิญาณที่ในถวายไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแต่ที่จริงตัวเองก็ไม่ได้ถวายเป็นเพียงแต่พ่อแม่ถวายไว้เท่านั้น ไม่ว่าใครก็ตามที่บวชในศักกิจวงจะบวชในลักษณะนั้นเป็นไวแต่พวกพระพระนนกับพระราหุลหรือพระนนนั้นยังไม่เกิดพระราหุล น, นั้นยังไม่เกิดก็รับไม่ได้ถวายสัตยปฏิญาณเอาไว้แต่ส่วนพระราชาวงศ์ที่เกิดทันหรือเกิดมาก่อนหรือเกิดใกล้ๆกันก็จะมีการมอบกายถวายชีวิตไว้ในลักษณะเดียวกันแล้วก็บวชไปโดยอาศัยสัตจปฏิญาณอย่างนั้น แต่เราคิดได้เป็นระบบอย่างนี้ความเครียดแครงสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าก็จะจางไปต่อไปแต่จะให้มั่นคงมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้น<ม>ก็จะต้องอาศัยการเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อพัฒนาพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของเราเองเริ่มต้นที่การสรื่อมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในจิต โดยการศึกษาบ้างโดยการพิจารณาบ้างโดยการลงมือประพฤติกระทำปฏิบัติบ้างท่านแสดงไว้เป็นโครงสร้างในการปฏิบัติว่าเมื่อบัญญาบางเกิดขึ้นจิตใจก็จะสงบลงคือมีกิเลสเบาบางลงและจะมองโลกมองชีวิตด้วยเมตตากุณาที่เพิ่มขึ้น จุดสมบูรณ์ของรูปธรรคุณจึงมีปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์และกรุณาที่เต็มเปี่ยมภายในการสันดาลไม่มีความบกพร่องไปแต่ประการใดถ้าบุคคลได้พยายามเสริมสร้างปัญญาบางเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนแล้วก็น้อมนําเอาปัญญาเหล่านั้นในชั้นต่างๆเข้ามาไว้ภายในจิตและบุคคลจะสัมผัสได้ด้วยใจตัวเองว่า เมื่อปัญญาเราบังเกิดขึ้นนั้นเห็นความสะอาดเห็นความสงบภายในใจที่สามารถสัมผัสได้ในขณะนั้นนั้นมีความเยือกเย็นปรากฏมีความสงบปรากฏมีความสว่างปรากฏมีความพองสาสปรากฏอยู่ภายในใจอารมณ์เป็นนั้นมากที่มากระทบแล้วสร้างความขุ่นคล่องมองใจใบังเกิดขึ้นแก่เรา แต่พอปัญญาเกิดขึ้นปัญญารำหน้าที่ตัดกระแสอารมณ์เหล่า น, นั้นได้วินิจัยอารมณ์เหล่า น, นั้นได้แล้วก็ตัดกระแสอารมณ์เหล่า น, นั้นได้คงความผ่องใสาภายในจิตเอาไว้ได้จิตในขณะนั้นจะมีลักษณะเหมือนน้ําที่สะอาดอยู่ภายในสัตว์แม้จะมีของสุกภพตกลงไปก็จะถูกสลายให้หายไปในขณะนั้ น, น, น ความเปลี่ยนแปลงภายในจิตเหล่านี้ที่จริงแล้วก็เป็นส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบเคียงกับพระไถยของพระพุทธเจ้าแต่เราเห็นได้ว่าสูตรของการปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นจริงๆการที่มีแม่ตากรุณาต่อบุคคลอื่นนั้นเป็นการยืนยันถึงใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นแต่การยืนยันถึงใจบริสุทธิ์ก็สืบเนื่องมาจากปัญญา วันเมื่อเราปฏิบัติจนสัมผัสได้เช่นนี้แล้วความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าก็จะตั้งลงมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยลำดับแต่ละบทของพระพุทธคุณที่มีการสวดสาธยายกันนั้นเราจะสัมผัสได้ในระดับใดระดับหนึ่งเช่นบทว่าอาราหังที่แปลว่าปูู้ห ก, กรรมแห่งทั้งสารจักือวิชาตัญหาอุปาทานกรรม เราก็สามารถที่จะลดความรุนแรงของวิชาตนาอุปาทานกรรมลงไปไปจริงแล้วทั้งสี่ทั้งสี่ข้อนั้นมันก็คือกิเลส ก, กับกัป น, นั่นเองเพราะถ้ากิเลสลดกรร ม, มก็ลดลงไปให้ลองสังเกตว่าถ้าความโกรธเราลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากความโกรธก็จะลดตามลงไปบางครั้งความโกรธเกิดขึ้นภายในจิตอาจจะถึงกับลงไม้ลุงมือ แต่พอดีความโกรธมันเกิดลดลงไปคิดจะลงไม้ลงมือก็ไม่ลงไม้ลงมือคิดจะด่าก็อาจจะไม่ด่าแต่ภายในใจก็อาจจะขูดมัวอาจจะออกมาทางแววตาบ้างนี่แสดงว่าในขณะนั้นกรรมแห่งสังสารวัฏคือกิเลส ก, ก็ถูกลดความรุนแรงลงไปทำให้กรรมคือการกระทำของเราแทนที่จะเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลที่น้อย แต่ที่จะออกมาพร้อมทั้งกายทั้งวาจาก็อาจจะอยู่เฉพาะที่ใจเป็นต้นพวกนี้แสดงความเกี่ยวเนื่องถึงกันของกิเลสกับของกรรมหรือของกุศลกับกรรมก็ทํานองเดียวกันในความว่าถ้ากุศลมีกําลังมากกรรมก็จะเป็นสุจริตได้มากถ้ากุศลมีกรรมน้อยกรรมก็จะเป็นสุจริตได้น้อย แต่ถ้าเมื่อเจตนาที่เป็นกุศลมาเกิดขึ้นแล้วกรรมก็จะต้องเป็นกุศลจะมากหรือน้อยนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งประการต่อไปที่เรียกว่าเป็นผู้ไกลจากอานาจของกิเลสแม้อยู่ท่ามกลางกิเลสท่ามกลางอารมณ์ที่ยั่วยุยุยนด้วยประการต่างๆแต่พระพุทธเจ้านั้นห่างไกลจากอารมณ์่ดนั้นอารมณ์รักอารมณ์ช่างเป็นต้นที่ผ่านมา ในวิธีชีวิตของพระองค์ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นภายในประทศไทยของพระองค์ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติสัมผัสได้ระดับใดระดับหนึ่งจะเห็นว่าจิตใจเราก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเคยอ่อนไหวไปด้วยอำนาจความรักและความสั่งการกระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความอยากได้ปรารถนายินดีหรือความกระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองรุนแรง เมื่อก่อนที่เคยเกิดมันก็ไม่เกิดหรือว่าเกิดลดน้อยลงไปหรือช่วงที่เกิดลดลดสั้นลงมาก็แสดงว่าเราได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้วเมื่อได้สัมผัสผลเช่นนั้นก็จะเกิดชันท้อุตสาหะที่จะสัมผัสผลในลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปตอนนอนใกล้ๆกักกกเราเดินมาท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดและพักผ่อนในร่มเงาของต้นไม้ใกล้ๆ ความร้อนบรรเทาลงเราก็ต้องการสัมผัสความเยือเกเย็นให้มากยิ่งขึ้นก็ต้องเข้าไปจนถึงโคนของต้นไม้การปฏิบัธรรม ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเมื่อสัมผัสผลแล้วจะมีการผลักดันให้สัมผัสผลมากยิ่งขึ้นุรูเจ้าจึงทรงสอนในบุคคลพยายามปลูกฝังความพอใจในกุศลนธรรมจะมากหรือจะน้อยก็ตามให้ปลุกฝังความพอใจขึ้นให้ทําความพอใจให้ทําความยินดีในกุศลแธรรมเหล่านั้น พยายามเก็บพยายามสะสมไปเรื่อยๆเพราะการสะสมความดีสะสมบุญกุศลนั้นจะทําความสุขมาให้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้บางโอกาสบางกรณคีคือจะเอาทุกกรณีไม่ได้เพราะสามัญชนเรานั้นจะต่อสู้กิเลสได้ทุกกรณีไม่ได้แต่ว่าต่อสู้ได้ในบางกรณีก็จะสามารถพิสูจน์ยืนยันถึงคุณที่สมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าได้ แต่มาพิสูจน์ที่ใจกองเราเองว่าจิตใจเรายิ่งเข้มแข็งเท่าไร่กิเลสเรายิ่งลดไปเท่าไรนั้นการประทะอารมณ์จะมีกําลังต้านทานสูงขึ้นไปโดยดําดับจนถึงกับบางครั้งบางคราวแม้มีการท้าทายอย่างรุนแรงหรือยั่วยุอย่างรุนแรงยั่วยวนอย่างรุนแรงแต่สามารถทําใจให้ไม่หวั่นไหวได้อย่าน้อยก็ในบางอารมณ์ในบางขณะในบางโอกาส พระพูทมีพระภาเจ้านั้นท่านไปไกลกว่านั้นไม่รู้สักกี่ร้อยกี่พันเท่าเพราะความห่างไกลจากกิเลสของพระองค์จึงมีอยู่อย่างแท้จริงแล้วเราก็อาจจะดูจากประวัติคือมามองที่พระคุณถั่วนี้แล้วก็ดูที่เหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของพระพุทธเจา้าจากการถูกด่าวา่าบ้างจากการถูกสบประมาทบ้างาการถูกใส่ความบ้างจะต้องการถูกประทุษร้ายเป็นตัวบ้าง เราก็ไม่เคยพบเรื่องความเปลี่ยนแปลงภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีพระไทยเสมอกันทั้งหมดทั้งคนที่มีความรู้สึกเป็นปฏิบัติ์มีการกระทําเป็นปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยประการต่างๆอยานายขมังธนูก็ดีชร้างนรากิรีก็ดีโจนองค์กริมาณก็ดีพระเทวทัตก็ดีหรือคนต่างๆที่เบียดเบียนพระพุทธเจ้ามาในที่หลายๆแห่งพระเจ้าก็มีพระไทัยเสมอกัน กับที่มีต่อพระราหุลมีต่อพระเจ้าสุโทธทนะมีต่อพระนันทะซึ่งเป็นพระนุชาเป็นตนนั้นแสดงให้เห็นถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วก็กลับมาดูที่จิตของเราเพราะจิตของเราก็จะมีลักษณะคล้ายๆอยา่างกันคือโดยเสด็จรอยบาทของพระองค์ไปในแนวนั้นเราสัมผัสได้สักระดับหนึ่งทํายังไงวะให้มองไปในแนวสัเพสตาได้จริงๆริงมีสัตางหลายต่างฟูงจริงจริง ากาจัดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาออกไปจากใจได้ในระดับใดระดับหนึ่งก็จะเห็นความจางไปคลายไปบันเทาไปของกิเลสเหล่านั้นแล้วเมื่อมองกลับไปที่พระพุทธเจ้าก็าจะเกิดศรัทธาภัสาะทะเริ่มสายมากยิ่งขึ้นทําให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอภิปูชาในชีวคลที่ควรแก่การคารมสักการะบูชาจิตใจก็จะโน้มน้อมเข้าหาพระพุทธคุณเพียรพยายามศึกษา เปียนพยายามพินิจพิจารณาเพียนพยายามปฏิบตัติเพื่อจะให้สัมผัสพระพุทธกุลในลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นศรัทธาความตั้งมั่นก็จะบังเกิดขึ้นความเครือบแปรก็จะจางหายไปโดยลำดับเชื่อว่าได้ถอนตะปูที่ตอกตึงใจของตนเอาไว้ในจุดนั้นๆให้อย่างน้อยก็มีความแน่นน้อยลงหน่อยมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นถ้าหาก็าจะถอนได้จริงๆ การปฏิบัติก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปโดยลำดับและจะไล้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติลึกซึ้งไปตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสึกตอนป